ธรรมชาดกแผ่นที่เก้าลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่านกรอบคอบหลิงถาว่าตัวไหนมัน มันดื้อนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะสั่งจับเอหมือนกันนักเลงเนะ่ะตัวไหนมันนักเลงคนไหนดื้อมันจับไปขังคุกมันไปลิงของหลวงพ่อเหมือนกันนะ่ะถ้าเอาอาหารให้แล้วมันดือ้อเวลาเห็นคนมาเนะีหญิงเขี่ยวจะกัดคนนะทําท่าจะไล่กัดแต่ไม่เคยกัดหรอกแต่ทําท่าว่างั้นเถอะทาท่าเป็นนักเลงนะเอหลวงพ่อจะให้พระทํากรงรออยู่ข้างนอก แต่นั่นก็เอาอาหารไว้ในกรงล่อมันเข้าแล้วก็จับนุ่นเอาไปปล่อยวัดหลุบเรา้าเนอะกลางเขาเน่ะตัวไหนที่มันดื้อ น, นะมันก็หายเ ป, เป็นตัวเป็นตัวไปเหมือนกันนะแต่เีนี้เลี้ยงอยู่ในผู้ก้อนก็ดีหน้าแคก็ดีบ้านเพิ่มก็ดีหลุบเราก็ดีนี่แหละออกไปจากวัดนาคําน้อยของเราเนี่ยแหละตัวไห น, น ตัวไหนมันดื้อเอาไปโขดไว้ทั้งนุนอตัวไหนมันไม่ดื้อเ อ, าอ้าจะเท่าจะว่ายังไงเลีเ้ยงเลี้ยงมันไปแต่จะให้อาหารมันมากจนเกินไปก็ไม่ได้ไเถี๋ยวมาลบกวรเหมือนกับทางจังหวัดชนบุรีที่มันมีปัญหาลิงยูวเยีบไปหมดเพล่เพลิพมจะกัดคนเห็นไหยอย่างท่ำขามลิงใหญ่เนะีลิงใหญ่ลิงเอ๋แบบ พันขึ้นมะพร้าวเน่ะแบบหัวตัดใหญ่สุนรุ่นนะที่ทำขามเห็นไหมที่หลวงปู่เทศที่ท่านไปอยู่ท่านเอาอาหารให้มันให้หัวหน้ามันลิงป่าแท้เลยแต่ถออมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นคนถือกระเป๋าเนี่ยแย่งกระเป๋าคนเห็นคนถือถังสังฆทานอะไรขึ้นจะถวายพระเขาไปแย่งจากมือเขา อไม่แย่งของมันนางหญิงเขี้ยวเสร็มันจะกัดเนี่ยจําเป็นไอ้เจ้าของสังฆทานก็ต้องปล่อยต้องวางควให้สุดก็เป็นลื้อเลยแต่เนียต่อมาท่านหลวงพ่อคลาดมั้งมาจากพังงาหลวงพ่อคลาดมาจากพังงาท่านมาจับเลยแต่เนี่ยท่านรู้จักวิธีจับใส่กลงเข้าไปมีอะไรโอ้จับเก่งจับจนหมดเลยนะ ลิงทำขามนะลิงเป็นตั้งเป็นร้อยๆหนะ่อยจับหมดเลยเก่งเราก็ถามว่าเอา้าหลวงพ่อคาดลิงไม่กัดแล้วมันกัดไม่เข้าอา้าวทาไมวะเขาว่าเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันก็เชื่อเลยสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นมันเป็นก็ว่าแก่นแก่นมวยเลือดเนี่ยนะแก่นมวยเลือดอยู่ในป่าเรานะเอามาแล้วตัดเป็นท่อนๆขนาดนิ้วก้อยเนี่ยนะแล้วก็ มาให้มันติดกับเนื้อกับตัวของเรามัดใส่แขนก็ได้ใส่ที่ไหนก็ได้โอ้ยพวกเขี้ยนี่ยื่นขาให้มันกัดเลยวะเงี้ยมันกัดไม่เข้าเงี้ยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอันนี้ถ้าว่าคนอื่นพูดเราก็ไม่เชื่อหรออันนี้หลวงพ่อฆ่าไนียจับลิงมาเท่าไหร่ลิงกัดไม่เข้านี่เราก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเงี้ยมวยแก่นมวยเลือดวะเงี้ยเถาเถามวยเลือดเนี่น แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแก่นทุกเถาไม่ได้นะแต่บางบางเถาท่านเนี่ยมันจะมีแก่นไม่ใช่ว่ามวยเลือดทุกเถาจะมีแก่นไ ม, ไม่ใช่แต่บางบางเถาบางบางเคือเคือมวยเลือดมันเป็นเครือและเป็นเถาวันบางต้นบางเครือเท่านั้นเองวันจริงจะเป็นเป็นแก่นถ้าเอาแก่นมันมาแล้วก็มามัด แจ้งหมาเลยเหมือนกันน่อยหมาตัวนี้ที่มันกัดแล้วหมูลุมกัดมันอ่ะมันแพ้เขาเนี่ยเอามวยเลือดมัดใส่คอมันเลยอ่างเงี้ยแต่นี่โอ้ยมันชนะหมูเลยอย่างเงี้ยหมูกัดมันไม่เข้ามันกัดหมูวะนี้เออแปลกแปลกเหมือนกันนะยังวันหลวงพ่อเอยหลวงพ่อก็มีแต่ฟังเนี่ยฟังนี้ก็เหมือนกันน่ะลิงของเราเนี่ยบางตัวมันก่น ตัวมันที่มันรื้อนะเราก็จะต้องจับไปปล่อยที่อื่นจับไปปล่อยกีอื่นมือนลูกกี่ตัวละหัวหน้ามันที่มันจะกัดคนแล้วทำมันทําท่าแต่มันถึงไม่ถึงกัดต่อตริงในวัดของเรานะี่มีแต่ชินีเท่านะั้นสมชายเนะออเอาจริงๆเนะี่เคยกัดคนมาหลายครั้งแนละ้วแต่ว่ากัดก็ไม่น่ากลัวหรอกสมชายเพราะว่าเขี้ยวนะเขี้ยวที่มันยาวๆนะ่อยเขาบอกเขี้ยว เขาตัดออกแล้วยังแต่ฟันของมันมันก็กัดขยุ่มขย่ำไปอย่างงั้นแหะแต่ก็ถ้าไอ้ชนีสมชายมันมากัดหลวกิเสียขวัญกําลังใจเหมือนกันนะเอบางคนก็เป็นไข้เหมือนกันนะเออมันตกใจอย่างั้นะแต่นานๆมันจะมีทีหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ระวังนะให้ระวังสมชายถ้ามันมาใกล้ก่อถือไม้หรือถือ ก้อนหินก้อนดินอะไรกก่งไม้อะไรยกใส่ ม, มันเลยขู่มันไว้แตาวิาสาสากับปันแล้วไปใกล้มันไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเอาง่ายๆเนี่สัะสัติรฉานตลวงพ่อไม่ได้สอนให้พวกเราเซ่อๆไม่ได้นะอย่างหมูป่าสมัยก่อนก็เหมือนกันเวลามาล่ายื่นอาหารให้หมูปา่า โยนอาหารให้หมูปา่าเพื่อให้หมูป่าเข้ามาใกล้ผลที่สุดวันไหนอาหารหมูป่าไม่มีอาหารเนี่ยมันจะกัดคนนะถึงเห็นคนมาเนี่ยอมันมีอะไรจะให้มันกินเนี่ยมันก็จะกัดคนนี่แหละหวงพ่อว่าจะไปเล่นกับมันถ้าหาว่าเรามีเราก็อยู่ในรถเราก็โยนโยนโย น, โย น, โ, ย น, โ, ยนโยนให้ไกล หรือว่าไปวางไว้เวลามันเราไปวางไว้อย่าให้มันเห็นเรือโยนเข้าไปมันจะมากินเองอไม่ต้องวิสาสะกับมันอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าเราไปยื่นกับไม้กับมือไปใกล้ๆมันมาได้นะอันตรายนะอย่าไปยื่นกับมือเด็ดขาดดึงสัตว์ป่ามันไม่ได้เข้าโรงเรียนเหมือนกับคนนะขนาดคนเข้าโรงเรีย น, นแท้ๆมันก็ยังยเป็นนักเลงก็มีตังเยอะแยะไปสอนมาเท่าไหร่ แต่ใ น, นลิงจะใครจะไปสอนมนันนะแต่เราจะไปวิสาสะกลับมันอ่ะไม่ได้นะโง่นะเออโง่แต่โง่โงกับสัตว์ไม่ได้นะเผลอเผอมันจะเป็นกัดเข้าไปเป็นบาดทยักหรือเป็นอะไรอันตรายถึงตายได้เหมือนกันเพราะนั้นระวังเตืองสัตว์ป่าในวัดคลองนอนมีสัตว์มากแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็ให้นมัดระวังแต่น้ําใจจะมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือการให้อาหาร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 แล้วก็ไปอยู่กับชุมชนชาวบ้านเขาพอไปอยู่แล้วก็คงจะเป็นช่วงที่อธิษฐานพันษาที่ศานพันษาก็คงจะเป็นมันคงจะฝนไม่ตกมั้งพออธิฐานพันษาอยู่เดือนแรกไฟไม้สาลาไฟไม้ที่พักของท่าน พอไฟไหม้ที่พักของท่านท่านี่ท่านก็อยู่กลางแจ้งไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยทำาลาให้ด้วยเถิดชาวบ้านเขาบอกโอ้คนนั่นก็ยากการคนนี้นก็ยากงานเขาไม่ได้มาทำให้พระองค์นั้นก็เลยอยู่จาพรรษากลางแจ้งทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเดือบทั้งยุงทั้งมแมลงสัตว์กัดต่อย พอออกพรรษาแล้วท่านก็นได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทองค์ก็ถามมาเป็นไงผาสุขอยู่เลยภิกษุไปอยู่จําบรรษาพระองค์นั้นก็นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์กราบกลาพระองค์ไปแล้วก็ไปเพื่อจะไปบําเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์แต่พอไปอยู่ได้เดือนแรกจําบรรษาไยไหม้ศาล า, าพอไหม้ศาลาแล้วก็ ้าบองก็อยู่ที่ศาล า, าไม่ได้รับความผาสุกเพราะทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งมแมลง้ า, าบองก็อยู่จนออกพรรษาก็เลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้บำเพ็ญทงางจิตภาวนาเต็มที่เพราะว่าอยู่ด้วยความลําบาก พระพุทองค์ทั้งที่ท่านจะยกย่องนะท่านตำหนินะท่านเลยทำไมเธอจึงอยู่อย่างนั้นทําไมเธอไม่สองแสวงหาที่ผาสุขที่มาดีกว่าทําไมเธอจึงไม่ออกไปจากที่นั่นเธอจะอยู่ทําไมถ้ามันไม่ผาสุขขนาดสัตว์ที่ฉานเขาเขายังส่แสวงหาความผาสุขเธอเป็นมนุษย์แท้เป็นพระด้วยทําไมจึงอยู่อย่างนั้น พระ อ, องค์ไม่ใช่ว่าจะยกย่องนะเออขันติขันติอย่างนั้นนะ่ะออขันติแบบโง่พระพุทธองค์ไม่ไม่ชนเสินนะเอท่านใหใช้ปัญญาพระ อ, องค์บอกว่ า, วาขนาดสัตย์ทิฏฐานเขายังเห็นภัยในที่จะเกิดกับตนเองกับหมู่คณะพระสงฆ์อะไรกราบทูลพระพุพทธเจ้าว่าสมัยไหนเพระเจ้าข่าที่สัตย์ทิฏฐานเห็นโทษ ที่จะมีพิษภัยและเห็นโทษแล้วที่พระองค์ได้ตรัสพระองค์ว่าสมัยหนึ่งมีนกฝูงหนึ่งอยู่ในป่าแต่อาศัยต้นไม้ใหญ่แต่บริเวณนั้นก็มีพวกภัยพวกอะไรเกิดขึ้นมาที่ว่าเป็นป่าเป็นป่าที่ว่าพร้อมที่จะติดเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟได้ง่ายแต่นี้นก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 มันจะตายทั้งฝูงมันจะเผาพวกเรา น, นั่นนี่ดูๆแล้วมันเป็นไฟ น, นั่นนี่มันออกจากกิ่งไม้เนี่ยมันจะดุดลงไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉนั้นเราควรจะหนีเลยหัวหน้าก็เลยพาหนีหนีกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งบอกว่าเอ้ยเป็นหนีไปทําไมเพียงแต่ควันไฟขึ้นมาจากกิ่งง่ามักกิ่งไม้เท่านั้นเอ๋จะแดงว่าหัวหน้าเนี่ยขี้เสาะมากเห็นอะไร เป็นพิษเป็นภัยไปหมดเออต่อไปในเห็นน้ําหยดหนึ่งก็จะว่ามีจระเข้อยู่ในนั้นนั่นเนี่ยหัวหน้าเนี่ยพวกลูกน้องกลุ่มหนึ่งมันก็เข้าข่ายของเขาเหมือนกันนะเออเหมือนเห็นน้ําหยดหนึ่งว่ามีจระเข้อยู่ในหยดน้ำํำมันก็หาพูดได้เหมือนกันนะนกเหมือนกันนะแต่หัวหน้าเนี่ยไม่ได้เห็นควันไฟขึ้นมาจากกิ่งไม้แล้วตรงกิ่งไม้ที่มันเสียดสีกันนะ่ะ มันจะต้องเป็นไฟอีกสักวันหนึ่งอยากนล้นก็หลบหนีไปพากลุ่มหนึ่งหนีไปแต่กลุ่มหนึ่งไม่หนีเพราะเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วจนติดถิน่นติดฐานติดที่อยู่อาศัายแล้วพอมาวันหนึ่งกิ่งไม้มันกรเสียดสีขึ้นมาก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาอย่างแรงก็ทำให้นกฝูงนั้นที่ยังหนีอยู่ยังติดอย่างนั้นก็เลยตายท่านว่าในชาดกในชาตินั้น เราที่เป็นหัวหน้าฝูงของนกนั้นคือเราตถาคตที่เป็นหัวหน้าแต่นกฝูงนั้นก็เลยตายนี่แหละได้ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอยู่นิสถานที่ใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยเราต้องดูให้รอบคอบรอบด้านถ้ามันจะเป็นพิษเป็นภัยเราก็ควรจะหนีออกจากตรงนั้นเพื่อความผาสุกเพื่อสับปลายะในทันตำหนิพระองค์นั้น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 ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไปหาจนสมบูรณ์ซะก่อนอาหารสัพพายะอาหารเป็นที่สบายเสนาสนะสัพพายะเสนาสนะเป็นที่สบายอุตุสัพพายะอากาศเป็นที่สบายปุคคลสัพพายะบุคคลที่รอบข้างเป็นที่สบายมีแต่ยกย่องเฉิดชูกันแหนอย่างนั้นจะหาสัพพายะทุกอย่างซะก่อนแจึงจะบําเพ็ญ ภาวนาไปหาถึงมันตายก็ไม่เจอตายแล้วเกิดมาหาอีกก็ยังไม่เจอตายเกิดมากี่พ่กี่ชาติก็ยังไม่เจอมันก็ต้องขาดอันหนึ่งแต่ก็ได้อันหนึ่งเอแต่ก็จะอย่าให้มันลำบากจนเกินไปลำบากจนกระทั่งที่วา่าตากแดดตากฝนก็อยู่ในนั้นเออเมื่อเหลือบรรจุก็อยู่ในนั้นอันนั้นมันลำบากเกินไปที่พระองค์นั้นปฏิบัติจนไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะอยู่ด้วยความลําบาก วันนั้นเสียงเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบไปอยู่ในสถานที่ใดดูการสถานที่บุคคลแล้วจากนั้นก่อนเนี่ยดูใจของตนเองนั่นแหละเป็นหลักทีนีุตุ ก, ก็พอสมควรอาหารก็พอสมควรคาว่าอาหารอาหารดีนี่คืออาหารอย่างไรไม่ใช่ว่าอาหารดีทุกวันพอทานเข้าไปแล้วก็ นอนสลบทลดยตัวอ้วนขึ้นเรื่อยเรื่อยตัวอ้วนร่างกายอ้วนไม่ใช่อ้วนอย่างอื่นนะอกิเลสตัณหามันอ้วนขึ้นไปด้วยเออย่าไปส่งเสริมเกินไปส่งเสริมร่างกายส่งเสริมร่างกายร่างกายอ้วนขึ้นมาแล้วนะกิเลสกามลาคะมันก็อ้วนขึ้นไปด้วยเพราะถ้าพอประมาณอุตตุอาหาระระสปายะคือพอประมาณอย่างไรให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญจุตา รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่ไม่ชอบกินอิ่มหลากท้องออกทุกวันทุกวันกินแบบไม่คิดไม่อ่าน <c oughs> มีแต่กิเลสมันพอกผูนเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเจ้าตัวเองต้องรู้อาหารสัพปายะเสนาสัตสัพพายะไม่ใช่ว่าจะอยู่ในที่สบายห้องแอร์ตลอดทั้งวี่ทั้งวันจะไม่ถูกอากาศอย่างอื่นเลยมีแต่สบาย ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็นเลี้ยงแต่เลี้ยงร่างกายเลยอีกสักวันหนึ่งกับผมก็ขาวฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวตาก็ะฟ้าฟางอีกอย่างเก่า น, นั่นนะถึงจะอยู่ดีขนาดไหนก็อยู่อยู่ทีแต่อันนี้ก็มันต้องคิดอีกเหมือนกันอย่าให้เกินไปในอุตุสัปาย ะ, ะเสนาสนะสัปายะเสนาสนะสัปายะเนี่ยี่หละอย่างที่ว่าเราอุตุสัปายะอากาศเป็นที่สบาย เราจะหาที่ไหนเราอยู่ในท้องฟ้าอากาศมันก็ต้องมีร้อนมีหนาวเป็นธรรมดาและก็ปุคราศปายะบุคคลเป็นที่สบายอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันมีความเห็นแบบเดียวกันหวังพ้นทุกเหมือนกันสองแสวงหามรักผลนิพพานเหมือนกันอันนี้ว่าปุคราศปายะแต่คนหนึ่งหาทางโลกอยากไต่ลาบอยากไต่ยศอยากไต่ชันเริญ แต่คนหนึ่งอยากจะพ้นทุกมันเข้ากันไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวคนหนึ่งกันะหาเงินคนหนึ่งก็หายศรฐารดาศักคนนึงก็หามักหาผลมันจะเข้ากันไม่ได้ปุคระสัพพายะเนี่ยหลวงพ่อว่าในในความเห็นหลวงพ่อเน่ยสัพพายะเหล่านั้นจะเป็นอาหารสัพพายะก็าตามเสนาสนะก็าตามอุตุสัพพายะก็าตามปุคระสัพพายะก็าตามหลวงพ่อว่า ปุกราศปายะสาคัญกว่าสาคัญกว่าอย่างอื่นการอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีการไม่เข้าใจกันกันแหนกันแหนกันเนี่ยมันขวางนะมันขวางลึกๆไปนั่งภาวนา ม, มันก็ขวางอยู่ในใจอย่างนั้นอันนี้เราว่าปุกรัศปายะแต่ถ้าว่าบุคคลเป็นที่สบายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความเห็นเดียวกันรู้จักกัน ออน้อมถ่อมตนต่อกันอย่าทะเลาะวิวาทกันรู้จักใจเขารู้จักใจเราเราเขามีเมตตาต่อกันถ้าพวกเรามีความมีน้ำใจต่อกันอย่างนั้นมีเมตตาต่อกันอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกปกคระงสัพพยะใ น, ในความเห็นของหลวงพ่อหลวงพ่อว่าสำคัญสำคัญกว่าสัพพยะเหล่านั้นสัพพยะเหล่านั้นก็ใช่ถ้ามันเกินไปมันก็ ไม่สัปปายะเหมือนกันแต่พอเราพอดีที่จะหลบหลีกได้แต่ปุกระสัปปยะมันก็หลบหลีกได้เหมือนกันแต่มันต้องหนีจากกันซะก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนื้ อ, อาภาวนาจิตใจจะสงบได้ยากนี่แหละเนื้อหลักของพุทธศาสนาท่านสอนพวกเราพุทธบริษัทสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาแช้ความรอบคอบแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้แบบสติอย่างเดียว แต่ว่าจะใช้ปัญญานั่นก็มันต้องคิดอีกเหมือนกันอย่างกลุ่มนกพวกที่อยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าหัวหน้าเ น, นี่ยขี้เซาะเกินไปเห็นน้ําหยดหนึ่งก็จะว่ามีจระเข้อยู่ในนั้นฮะอันนี้เขาก็พูดถูกเหมือนกันนะอืออันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันที่เป็นหัวหน้าอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยอยังไงแค่ไหนแต่ก็ไม่คิดเป็นอ่านเฉยก็ไม่ได้แต่คิดใจเซาะเหมือนมันก็อย่างที่เขาว่า บางเสียงบางอย่างมันก็อย่างที่เขาว่ามันเสาะเกินไปก็ไม่ดีสรุปแล้วก็คือใช้หลักเหตุผลการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลให้ดีที่สุดในความรู้สึกของเราตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร